ผู้ทั่วสวัสดีค่ะท่านฟังที่กรบค่ะรายการสันสานิสนทนานะคะเราก็มาพบกับท่านฟังกันอีกเป็นประจำทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m ฟเอแห่งนี้โดยมีพระมหาภัยบุญอภิปุนโนค่ะที่จะมาให้ธรรมะโดยดิฉันสันสานินาคพงศ์นะคะเป็นผู้ที่ดำเนินรายการพระอาจารย์ก็จะอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศจังหวัดอุดรธานีนะคะเมื่อวานนี้ได้กลับเรียนถามท่านเกี่ยวกับเรื่องของภิกษุณีไป วันนี้ดิฉันคิดว่าหลายคนอาจจะสนใจเรื่องของพระสงฆ์เพราะว่าเราอยู่ในสังคมที่เป็นสังคมชาวพุทธพระสงฆ์ก็มีจํานวนมากแล้วก็เป็นเรื่องที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเรามากจนเกินไปนักมีโอกาสที่จะไปเกี่ยวข้องกันไม่เกี่ยวข้องด้วยการที่ไปศึกษาปฏิบัติธรรมกับท่านเว้นทีเราก็เกี่ยวข้องด้วยการติดตามดูข้อมูลข่าวสาร วัดปฏิบัติของประสงค์ต่างๆส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่พวกปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ค่อยเป็นข่าวนะคะก็จะเป็นข่าวเฉพาะท่านทั้งหลายที่ทำอะไรแปลกๆในฐานะที่เป็นพุทธศาสน ก, กชนอยากทราบว่าเราจะอยู่ในสังคมที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์อยู่เนี่ยจะควรเกี่ยวข้องกับท่านอย่างไรคะน้ัสการท่านพร้อมๆกับให้ท่านตอบคำถามเลยคะ่ะเจริญพัน์ เกี่ยวกับเรื่องคำถามที่ว่าเราควรจะมองพระสงฆ์อย่างไรเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์อย่างไรถูกไหมค่ะอันหนึ่งที่พุทธจ้าบอกเอาไว้นะก็คือในหน้าที่ของเรื่องของที่ทั้ง6กนะี่ยก็คือ1นะึให้มีเมตตากายกรรมนะ2ให้มีเมตตาวาจีก ร, รมสมให้มีเมตตามนโนกรรมเนะี่อันแรกก็คือมีเมตตาต่อท่านนะี่ยคว่ามีเมตตาก็คือ มองด้วยสายตาขอางคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่ย่ามองด้วยสายตาแห่งการรังเกียจเดียดฉันก็คือเรื่องของใจด้วยผู้จาก็พูดได้มีความเมตตานะแล้วก็การกระทําการกระทําด้วยความเมตตาอันะนี้คือ3ข้อแรกอันนี้คือพูดถึงคารวาสนะคารวาส ค, ครวรจะทํากับภิกษุสามข้อนีนะ้มีทั้งหมดห้าข้อด้วยกันนะข้อที่สก็คือการไม่ปิดประตูนะคือการยินดีต้อนรับ แล้วก็ที่5ด้วยการถวายอามิสถานอันนี้เป็นพุทธบทเลยหน้าที่ต่อสมณะหน้าที่สําหรับคารวาสจะต้องกระทําต่นี้คําว่าสมณะนี่เราอธิบายกันนิดหนึ่งนะคำว่าสมณะนี่คือผู้สงบคําคว่าผู้สงบในที่นี้พระรชาพูดกว้างมากไม่ได้จําเป็นต้องหมายถึงสงสาวกของพระผู้มีพระภาคไม่ไจําเป็นต้องหมายถึงพระกษัตริตสาวกระสังโฆอาจจะเป็นนั่งบวชในาศาสนาไหนก็ได้ แก่ <c oughs> ที่เขามีความสงบแต่นะว่าสงบเนี่ยก็คือสงบแต่ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องละเอียดละเอียดก็สงบจากราคะโทสะโมหะนี่คือสัมมานาแสมมนแปลว่าผู้สงบหรือว่าสงบจากความพยศ ด, ดิ้นรนในทางกายทางวาจาแต่เราเห็นนักบวชหลวงพ่อองค์ไหนที่เป็นนักบวชคริสอะไรเงี้ยจะมีความสงบการสงบวาจาเราก็ควรจะปฏิบัติในข้อปฏิบัติ5อย่างนี้กับท่านได้ัอ <c oughs> นนี้พูดกว้างๆทั่วไปนี่พูดกว้างๆทั่วไปค <c oughs> อันนี้แล้วทีนี้ว่าสําหรับถ้าเป็นคนในคนําสอนของพระพุทธเจ้ากำลังพูดถึงพระวัโตสาวกสังโขนะคือหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนของพระผู้มีพระเนี่ยต้องปฏิบัติดีด้วยนะสุปฏิปันโนเพราะฉะนั้นเราจะทําข้อปฏิบัติ5อย่างนี้ก็ต้องคนที่ปฏิบัติดีเนี่ยปฏิบัติชอบเนี่ยถึงเราควรถึงจะทําตรงนี้อ <Okay. S 1> ปฏิบัติปฏิบัติชอบดูจากอะไรนะ่ยก็ดูจากศีลของท่านนะ่ยดูจากศีล เอ่อก็ไปฏิบัติทางกายทางวาจาเป็นยังไงนะดูตรงนี้ก็พอจะบอกได้ค่ะเกิดตรงต้องฉลาดที่จะสังเกตโอโแน่นอนคนที่จะดูรู้ว่าคนนี้มีศีลไม่มีศีลเนี่ยคนไม่มีปัญญาดูไม่ได้ต้องคนมีปัญญาถึงจะดูได้นัสิคะทีนี้อ่าเรียนเข้าใจว่าถ้าคนธรรมดาพื้อนๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับพระเนว่า อ่าท่านรักษาศีลสองร้อยี่สบเจ็ดข้อนะคะอือ่าท่านถูกนะต้องโทษผู้หญิงไม่ได้อืมอ่าท่านไม่กินข้าวเย็นอ่าไม่ชั้นนะหาเย็นอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยรู้ไม่มากอ่าใช่ใอันนี้ควรจะต้องทราบเนี่ยครับว่าควรจะต้องทราบนั่นเลยสิคะทีนี้เรื่องสมมติหลักๆอ่ะกว้างๆเลยเอาเข้าเรื่องที่เราทราบเอาห้าข้อศีลห้าเราทราบแค่ศีลห้าเราก็เอาศีลห้าของเราเนี่ยแหละเป็นเกณฑ์ในการมาตรฐานในการวัด ขันกก้นโกโหกไหมท่านตื่นสุราไม้อันนี้ก็คือพื้นๆ น, นะดูขั้นเบสิกก่อนเพราะว่าคนที่ถ้ามีราคะมีโทสะมีโมหะเนี่ยสามารถที่จะกล่าวเท็จตั้งๆที่รู้ได้แชักชวนในการล่วงปริยาผู้อื่นได้หรือ ว, ว่ากล่าวรู้บอกว่าไม่รู้อย่างเงี้ยแต่ธรรมเาระนั้นเราก็ดูตรงนี้ก่อนศีลเท่าที่เราทราบค่ะดิฉันได้ยินว่ามีศีลเกี่ยวกับห้าม เหมือนกับไม่ให้ไม่ให้รับอาสาใครไปทําอะไรอย่างเงี้ยอ่าเป็นทูตให้กครืหั่ไม่ได้แล้วสมมุติว่ามีคนจะไปติดต่อซื้อขายที่ดินผ่านพระได้ไหมคะท่านคะไม่ได้คือพระจะไปทําหน้าที่นี้ก็คงจะไม่ได้ค่ะคถึงแม้ว่านะจะเป็นเรื่องที่ท่านรู้สึกเหมือนกับต้องช่วยคนนี้ก็ตามทีใช่ไหมคะเออคือถ้าเป็นที่วัดหรือเปล่านี่ก็คงจะต้องพิจารณาเป็นกรณีไป ส, สมมุติว่าเป็นที่ของคารวาสเนะคะีค่ะ เพียงแต่ว่า่าสมมุตินะคะดิฉันนี่เหตุการณ์สมมติหมดเลยนะคะไม่มีอะไรจริงสักอย่างเพียงแต่ว่าอยากจะถามท่านให้อ่ามีตัวอย่างจะได้เข้าใจง่ายเช่นนายกมีบ้านของตัวเองซึ่งหาทางไปซื้อที่แปลงหนึ่งที่จะปลูกบ้านนะหาทางออกไม่ได้นะคะแต่รู้ว่าที่เนี้ยเป็นที่ของนายขอซึ่งไม่ค่อยถูกกันแล้วก็พบยากด้วยอืมเจ้าวาดวัดนี้ เป็นคนที่ในขอเกรงใจอ๋อเงี้คยค่ะโอ้โห<ป>อันนี้เป็นจริงที่ควรถามเพราะอะไรเพราะวาจาใดที่พูดออกไปแล้วเนี่ยคนจะสามัคคีกั น, นควรพูดนะพระพระ้เนี่น ะ, ค, ะคนรจะต้องมีสัมมาวาจาแลนะคือเป็นผู้ที่พูดแล้วเพื่อีนจะสมานคนที่แตกกันนีให้พร้อมเพรียงกันค่ะอันนี้ควรพูดมันก็พูดให้เขาพร้อมเพรียงกันสมัสมานสามัคคีกันแล้วก็จะไปตกลงซื้อขายกันเรื่องของขาวแต่คนที่เกลียดกันแล้วเนี่ยเราพูดให้เขา สบายใจทั้งสองฝ่ายอันนี้ดีไม่นําความข้างนี้ไปบอกข้างนู้นเพื่อแตกจากอีกฝ่ายหนึ่งแต่พูดให้สมัคริกันอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทาค่ะคือท่านกำลังจะบอกว่าไม่ต้องหนักใจมากก็ดูศีลพื้นพื้นใช่ใช่นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าอันเนี้ยก็ดูว่าเป็นกุศลเจตนาถูกไหมคะมสิ่งที่ท่านปฏิบตัติปฏิบัติแล้วผลออกมาเป็นกุศลหรือเปล่าอันนี้ก็คือดูคร่าวๆตรงนี้ได้ใช่ค่ะ แล้วถัดไปก็เรื่องของพระสงฆ์เนี่ยนอกจากดูว่าความปฏิบัติดีปฏิบัตชอบแล้วในะส่วนที่3ก็คือเป็นเนื้อนาบุญเป็นเนื้อนาบุญที่ที่สังคมควรจะมองนะเราเป็นคารวะเนี่ยก็ควรจะข้อที่ข้อแรกที่อามาพูดไปก็คือเรื่องของทิศ ท, ทั้ง6ในทิศของสมณะใช่ไหมมีความเมตตาไม่ปิดประตูแล้วก็คอยถวายมิสทาลส่วนที่2ที่พูดมาสักครู่ก็คือเน้นตรงเรื่องของคําว่าสมณะว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิปัตชอบนะ ค่ะแล้วส่วนที่สามนก็คือว่าเป็นเนื้อนาบุญนะบุคคลแบบนี้เป็นเนื้อนาบุญเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้ที่แสวหงหาบุญนะด้วยการที่บริจาคการให้เราก็ควรจะทําทักษิณาทานในบุคคลประเภทนี้ <S <S นะมันจะมีเงินส่วนหนึ่งเนียก็เรียกว่าการใช้จ่ายทรัพย์ของของคราว่าสเนี่ยคราว่าส์เนี่ก็ต้องมีเงินมีทองแล้วนะเพราะฉะนั้นพอมีเงินมีทองแล้วคุณต้องแบ่งใจทรัพย์นะทั้งหมดสี่ส่วนด้วยกัน นหนึ่งส่วนใช้จ่ายสองส่วนเก็บไว้ในคราวจําเป็นอีกส่วนหนึ่งก็ให้ทานเพราะฉะนั้อนอีกส่วนหนึ่งที่ให้ทานเนี่ยก็คือให้ในเนื้อ น, นาบุญค่ะเพราะฉะนั้นตรงมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการจ่ายทรัพย์ตรงนี้ด้วยค่ะเนื้อนาบุญในที่นี้ท่านกําลังหมายถึงพระสงฆ์และต้องเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือพระสงฆ์อะไรก็ได้คะ่ะอก็พระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีป ฏ, ปฏิบัติชอบใช่ถ้าไม่ใช่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่เรียกพระสงฆ์ได้ไหมคะท่า น, นคะเรียกได้อยู่เหมือนกัน ก็คือหมู่อ่ะหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเ<ะ>นะี่ยที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเออเอ า, อางี้ดีกว่าคือถ้ามันอยู่ที่ระดับไหนนะอยู่ที่ระดับ<ะ>ไหนคือถ้าเบอกว่าระดับผิดศีลมากเลยคือประราชิกอย่างเงี้ยเนี่ยนะต่อให้ห่มเหลืองอยู่นี่ก็ไม่ใช่ละ่ะก็ไหนแต่ถ้าผิดแบบอบัต ด, ดองไว้นานเนะีแล้วก็ไม่รู้จักแก้ไขดองไว้ดองไว้ไวพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าไม่ใช่คนของเราก็มีนะีคือห่มเหลืองอยู่ก็จริงแต่ว่าไม่ใช่คนของเรา อยู่ใกล้พิษสุสงก็จริงแต่ว่าเหมือนอยู่ไกลกันค่ะนั้นคุณสมบัติของพระสงฆ์ที่ท่านกําลังพูดอยู่ในขณะนี้กับคุณสมบัติของการที่เราสวดมนต์ระลึกถึงสังฆคุณถูกต้องถูกต้องอันเดียวกันนี่แหละเรื่องเดียวกันเลยนะคะถูกต้องที่เราสวดสวดกันนะนะสุปฏิปนโนเพราะว่ตัวสาวกตัวโคเนี่ยค่ะแล้วมีแบ่งเป็นประเภทเป็นอะไรไหมคะว่าพระสงฆ์นี่จะแบ่งออกเป็นเออก็คือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นะเบลิงตัวได้แปดบุรุษกลายบ้างแล้ก็ โสดาบันศนะสกขาธรรมีนี่คือคุณธรรมที่อยู่ในใจน ะ, ะอันนี้คือเป็นผลผลของอะไรผลของเหตุคือการปฏิบัติดีปฏิบัติดีปฏิบัติรตรงปฏิบัติชอบแล้วก็จะเป็นผลคือโสดาสิกีธาอนาคาอรันะอันนี้ก็เป็นเหตุนะเป็นเหตุ ข, ของอะไรเป็นเหตุ ข, ของการที่ควรจะต้องอถวายทานควรต้อนรับควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลก ถ้าถ้าดูในคำแปลเนี่ยนะคะาบางครั้งอาจทำให้เรานึกถึงได้ขนาดว่าหรือพระสงค์ในความหมายของพระพุทธเจ้าที่ว่าปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติควรแล้วก็ได้แก่บุรสีค่คู่ก็คือพระอริยบุคคลสี่กลำดับต่างๆใช่ไหคะใช่ก็เหมือนกับว่าทรงคาดหวังให้ ผู้ที่เป็นนักบวชเป็นพระสงฆ์เนี่ยอย่างน้อยก็ต้องถึงขนาดเป็นโสราบันเราถึงจะอ่าเป็นถือว่าเป็นผู้ที่เป็นอาหุนยบุคคลเ ป, เป็นผู้ควรรับทักคินาอะไรเงี้ยค่ะอย่างนั้นเลยไหมคะผู้ที่ปฏิบัติ ด, ดีสุดๆเลยเนี่ยที่พระเจ้ายกย่องทำความเคารพแน่ในสงฆ์เนี่ยนะี่ยคือมีคุณดันใหญ่เนี่ยก็คือเป็นพระอาหารหันต เป็นพระอาจารย์เป็นผู้ที่พระรู้เช่าก็เคารพแม้ในสงหมู่นี้นะมีคุณอันใหญ่ใช้คำว่าอย่างนี้นะค่ะคือคือที่เดนถามในหมายความว่าเอ๊ะหรือว่าผู้สงฆ์ที่ป ฏ, ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในที่นี้นต้องปิดแตะโซดาบัลแล้วก็คือโซดาปฏิบัติมักอันนี้ได้แน่นอนสมมติว่าเราสาศีนเรารู้สึกว่าตื่นเชา้ามาเราเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ค่อยเที่ยงแล้วเราปฏิบัติตามธรรมแล้วนี่คุณอยู่ในโซดาปฏิบัติมักอยู่แล้วค่ะอืมแล้วแล้วไอ้บทตรงนี้นะที่เราพูดกันเนี่ยเเออ่่ไมปป็็นนต้ง คนผมห่มเหลืองนะค่ะแตนะ่เพราะว่าหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนเนี่ยคุณยมติ๋วก็เป็นหมู่นี้ค่ะแตนะ่ถ้าผู้ฟังเป็นที่เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงก็ยังเป็นหมู่นี้อยู่ค่ะคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้แปดบุรุษคือโสดาปฏิผลโสดาปฏิมร์โสดาปฏิมร์แล้โสดาปติผลใช่ใชเท่ากับว่าถ้ากําลังอยู่ในระหว่างเดินมร์ในขั้นที่เป็นพระโสดาบันได้ก็เท่ากับว่า เป็นพระสงค์ที่ควรจะได้รับทักษินาทานอย่างนี้แล้วถูกต้อ ง, องนะคะนี่แหละก็ที่ต้องซักไซไล่เลียงท่ละเอียดก็คือว่าผู้ฟังทั้งหลายก็เลยจะสามารถพิจารณาได้ง่ายเข้านะคะว่าประสงค์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นเป็นอย่างไรใช่แล้วก็ในระดับขอ ง, ของความจากมากเป็นผลเนี่ยอย่างกรณีของโซนบาลเนี่ยน ะ, ะก็คือว่า มาร์เนี่ยยังละเครื่องร้ายรัดไม่ได้เนี่ยปฏิบัติดีอยู่แต่ยังดีจนไม่สามารถที่ยังละเครื่องร้ายรัดไม่ได้ในเครื่องร้ายรัดนี่หมายถึงสังโยชนี่นี้ผลก็คือเขาละปฏิบัติแบบเดียวกันนี่แหละนีมีศีลมีสมาธิมีปัญญาจนกระทั่งละเครื่องร้ายรัดสามอย่างได้อันนี้ค<า>ือผลแรกคืออะไรคะก็คือเรื่องของมิจฉาทิฏฐิสักยทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวชั้นของชั้นอันนี้เขาจะมีความ มีสิ่งที่ตรงกันข้ามกันก็คือมีสมัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นค่นะอันที่สองที่เขาจะละได้ก็คือธธศีลนละพัตปรฏมาต์หมายถึงการประพฤติแบบรูปๆคำคลา ม, ลามทําไม่จริงไม่จงังนะนนี้มันก็จะมาแทนด้วยการโยนิโสมนาสิกานส่วนข้อที่3ก็คือความเคลือบแคลงเห็นแยง้งนะความลังเลความเคลือบแคลงใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่น่าใช่มั้งเดี๋ยวตรงนี้เขาจะละได้เดีวนะจะแทนที่ด้วยศรัทธาคือความมั่นใจ เมันก็เป็นผลของการที่เราปฏิบัติมีศรัทธาในพระพุทธประธรรระสงค์แล้วก็มีศีลห้ายัางไม่ขาดเปไม่รู้ไม่หนักไม่ปลอยค่ะนนี้ก็เป็นตัวอย่างในการที่เราจะได้พิจารณาอแล้วในในเรื่องของพระสงฆ์ในที่สังคมควรจะมองอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นบุคคลที่มีโอกาสว่างแล้วในพระสงฆ์เนี่ย น, น ะ, ะเพราะฉะนั้นควรจะสนับสนุนเนี่ยให้ท่านเนี่ยได้ในการที่จะปฏิบัติให้เต็มที่ ในการที่จะพ้นออกจากทุกเนี่ย น, นี่คือจุดประสงค์เดียวเลยในการบวชมาเนี่ยเ พ, พื่อที่จะรอบรู้เรื่องทุกค่ะแล้วรอบรู้เรื่องทุกเพราะนั้นบวชมาแล้วเราก็ควรจะสนับสนุนให้ท่านได้มีการปฏิบัติอย่างเต็มที่นะค่ะอันนี้มันจะเป็นเรื่องการดีในการที่เราจะไปเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ก็ไม่ใช่ไปแล้วทําให้ท่านไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติใช่ไหมคะนนมุทิโย ง, ยงไม่รู้เหมือนกันนะคะก็โอ๊ยอะไรก็นิดหน่อยก็ไปหาพระ ก็เลยให้พระทำในสิ่งที่ท่านไม่จะเป็นจะต้องทำอืมอันนี้มันก็อยู่ที่ที่หน้าที่ด้วยนะเพราะบางทีพระแต่ละรูปก็จะมีหน้าที่ต่างกันไปนะผู้ที่จะต้องคอยบอกสอนก็จะมีนะผู้ที่จะต้องคอย อ, อยู่ที่ปฏิปทาของแต่ละรูปนะค่ะอย่างกรณีของอท่านพระัญญาโกฏัญญนะเนท่านหลังจากบวชแล้วติดตามพระพุทธเจ้าอยู่สักพักหนึ่งฟังทำอะไรต่างๆแล้วท่านก็ไปอยู่หลีกนคนเดียว น่นไม่ได้มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะแต่กรณีของท่านภาษารีบุตนอย่างเงี้ยน่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะก็ต้องสอนต้องบอกนะ่ต้องบางทีก็ต้องอยู่เป็นหมู่อาแต่ก็หาเวลาไปหลีกเล่นบ้างในะส่วนตัวของท่านนะครมีถ้าเกิดคราวาตญาติโยมจะชวนเป็นนิมนต์พระสงฆ์ไปร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ไปตัดต้นไม้ไปสร้างบ้านส ร, าสร้างอะไรคะสร้างหอประชุม ให้สาธารณะใช้ <c oughs> ไปทำน้ําประปาให้คนใช้อย่างเงี้ยได้ไหมคะถ้าพูดถึงเรื่องของการตัดต้นไม้อันนี้พระตัดต้นไม้ไม่ได้อยู่แล้วนะมันจะผิดศ <c oughs> ีลข้อการพระของเขียวนะไม่ตัดต้นไม้ไม่ได้ <c oughs> แต่ถ้าช่วยเหลือในเรื่องทั่ ว, วไป น, นี้คงจะทําได้อยู่แต่แต่ว่าในเรื่องของการก่อสร้างการไปคุกคลีกันเนี่ยอันนี้บุรุษชาก็ให้เห็นโทษนะว่าการไปอยู่คุกคลีกันการยินดีในการก่อสร้างบางทีมันก็ เป็นเน็ตให้เนิ่นช้าแต่นี้าบางทีเราดูภายนอกเนี่มันก็บอกยากนะคุณโยมติ๋เพราะว่าความยินดีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่งานก่อสร้างมันอยู่ที่จิต <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นบางทีก็ต้องทําางานก่อสร้างบางทีมันก็ต้องทําแต่อย่าให้มีความยินดีในนั้นนะบางทีบางอย่างมันก็ต้องทำท <Okay. S 1> ีนี้มันก็คงจะต้องพิจารณาเป็นกรณีกร ณ, กรณีไป <Okay. S 1> อย่างงานสังคมสงเคราะห์ก็อยู่ในระดับที่ไม่ผิดธรรมะวินยัยอันนี้นะมาก็คงจะพูดกว้างได้ประมาณนี้ แเพราะว่าถ้าถ้ามันอะไรที่มันจะผิดทำไมาไม่นานบางทีก็ต้องหลีกเลี่ยงสำหรับประสงค์ค่ะและในขณะเดียวกันอเราทุกคนเนี่ยเดี๋ยวงคิดว่าบางทีพอเราไปพูดแบบนี้คนก็เลยตั้งท่าจับผิดพระท่าเดียวนะคะ <c oughs> หรือบางทีเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ค่ะดิฉันอยากจะให้ท่านให้ธรรมะเวลาที่เราเห็นข่าวเกี่ยวกับพระเจ้าไม่ค่อยดีทางหน้าหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยควรจะทายังไงดีล่ะค่ะอันอันดับแรกก่อนอันดับแรกเนี่ย ก็ต้องตามกลับไปข้อหนึ่งที่เราพูดตั้งแต่ตอนต้นรายการเลยมันต้องมีเมตตามโนกรรมมีเมตตามโนกรรมพระต้องทําความเข้าใจด้วยว่าไม่ใช่บวชมาแล้วจะบรรลุฮาเร่ยุยาแล้วบรรลุเป็นพระอรหันทรูปมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเป็นผู้ที่เห็นโทษภายในวัฏสงสารอันนี้คือบายดีฟอลทเลยบายดีฟอลทเลยคุณจะต้องคิดอย่างนี้ก่อนทีนี้คราวาเนี่ยเราควรจะต้องคิดอย่างนี้ว่าคนที่บวชมาเนี่ยนะ ม, มันเพื่อที่จะเห็น ต้องการที่จะศึกษาคำสอนให้มันดีขึ้นแต่ไม่ใช่ทุกคนจะทำได้เต็มที่ทุกคนนะไม่ใทุกคนจะทำได้เต็มที่ทุกคนมันก็ทำได้มากบ้างก็มีทำได้น้อยบ้างก็มีเนะีเพราะฉะนั้นเราคิดอย่างนี้แล้วนะให้มีเมตตามโนกรรมนะแล้วถ้าเราไปพูดไม่ดีนะเราพูดไม่ดีเนะี่ยรัตนะของเราก็จะเศร้าหมองเนะีเพราะว่าสง์นี่ก็เป็นหนึ่งในรัตนะทั้ง3 ตฮอร์อ ต, ตราไนนะร์ตนถ้าอย่างนั้ที่ฉัอยากทราบว่าที่ว่าะจะเศร้าหมองเนี่ยนะคะบางคนบอกว่าอุ้ยบาปนะบาปหนักเลยนะไปว่าพระเนี่ยบาปเนี่ยเป็นบาปเพราะว่าท่านเป็นพระรักษาศีลเราไปว่าคนรักษาศีลเราเลยบาปมากหรือว่าที่เป็นบาปนั้นก็คือเหมือนกับเราไปว่าท่านจริงเท็จหรือเปล่าก็ไม่รู้อกุศลมันเกิดที่จิตเราบาปเพราะอะไระะอะไรสองเคสสองเคส เอาอย่างสมมติท่านท่านดีไม่ดีไม่รู้แต่แน่นอนเราพูดวาจาที่ไม่ดีในปากเราเหม็นก่อนนี่คือคือเกสที่หนึ่งนะเคสที่สองก็คือว่าเวลาเราว่าเนี่ยถ้าสมมุติท่านผิดจริงแตนะ่ท่านผิดจริงเราก็เราก็ไม่ควรเพราะบาปก็เกิดกับเราแต่ถ้าท่านถูกจริงยิ่งบาปหนะักเพราะว่าเราไปว่าคนที่ดีนี่คือกรณีที่สองเลยนะค่ะก็คือว่าถ้าถ้าถ้าตัวท่านผิดหรือถูกนะเราก็เราก็ผิดอยู่ดีเพราะเราบาปใช่ไหม และถ้าท่านถูกแล้วเราไปว่าเนี่ยข้อมูลเรามีแค่นี้เราไปพูดเนี่ยเรายิ่งบาปหนักขึ้นเพราะว่าท่านเป็นคนที่ถูกอยู่ใช่ไหมว่าเป็นยังเป็นคนดีอยู่ว่าคนดีเนี่ยยิ่งบาปหนักกว่าว่าคนชั่วว่าคนคชั่วก็บาปแล้วนะว่าคนดียิ่งบาปหนักค่ะคืออันนี้ก็น่าคิดอยู่อย่างนะคะว่าบางครั้งการที่ถูกกล่าวหาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทำผิดนะใช่จุดเสเสมอไป <Ừ. S 2> อันนี้เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจทั้งคนธรรมดาแล้วก็ทั้งนักบวชแล้วนะคะเพราะว่าบางทีพอถูกกล่าวหาลงเรืงสืพิมพ์มึงข่าวเปรี้ยงแป้งใหญ่โตแต่พอพ้นข้อกล่าวหาไม่มีใครมาลงข่าวใหญ่โตว่าเป็นคนดีแล้วใช่อันนี้ก็พูดเป็นก ล, กลางนะคะที่ฉันไม่ได้ไปเข้าข้างใครก็แล้วแต่ <Ừ. S 2> แต่รู้สึกว่าโลกเนี่ยของการสื่อสารมวลชนในบ้านเราเนี่ยเป็นแบบนี้จริงๆใช่แล้วแล้วมาประเด็นที่สาม เนี่ยก็คือว่าไม่ใช่แค่รูปนั้นรูปเดียวเนีนเพราะว่าเราว่าพระเนี่ยเหมาหมดเหมาหมดถ้าโกนผมผมเหลืองเหมาหมดเพราะนั้นรัตนะเราจะเศร้าหมองตรงนี้เพราะว่ามันเป็นหมูเนี่ยคว่าสงในแปลว่าหมูเนีหมูแห่งผู้ฟังคําสั่งของพระพุทธเจ้านะเพราะนัะ้นสมมุติว่าเราไปตีเตียนเออพระมันก็อย่างเงี้ยมันโดนหมดนะเนี่ยท่านค ะ, ะคำว่ารัตนะเศร้าหมองในกินความกว้างอย่างไรคะเพราะว่าสงคือหมูไงหมู่ สมมติพระพุทธเจ้าเนี่ยพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์เพราะนั้นคําว่าสงฆ์นี่คือหมู่แหผู้ฟังคําสอนเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยถ้ามีใครจะมาสอนเราบอกเราเนี่ยเราจะไปไม่ได้เนื่อเพราะความที่ศรัทธาเราไม่มั่นคงพอศรัทธาไม่มั่นคงเนี่ยมีใครสักคนกนหนึ่งมาเตือนเราบอกเราเออชี้ตรงนี้มันไม่ถูกนะตรงนี้ถูกให้ไปเราจะมองไม่เห็นเพราะว่าความที่มันมันบังอยู่มันเปื้อนอยู่มันเศร้ามองตรงนี้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องเป็นเหตุเป็นผลเป็นวิทยาศาสต ร, ร์ถูกไหมคะ ใช่คือเมื่อจิตเราดิฉันใช้คําว่าจิตก็ผิดเองนะคะในเมื่อเรามีจะใช้คําให้ถูกใช่ทัศนคติทัศนคติที่ไม่ดีแล้วค่ะอมันก็เหมาหมดมีอคติอทัศนคติไม่ดีมีอคติะลําเอียงอืใช่ะมันก็ปิดกั้นทําให้เราไม่เปิดใจรับอ่าถูกต้องเนี่ยคือคือใจข้างในคือเราอาจจะมีครูบาอาจารย์ของเราอยู่แต่เราก็ฟังให้ครูบาอาจารย์นั่นแหละแต่ว่าข้างในมันเศร้าหมองไปแล้วเพราะว่าก็ท่านก็อยู่ในหมู่นี้ออื มันก็จะเศร้าหมองเพราะงั้นความเศร้าหมองเนี่ยทาให้มันก้าวหน้าบางทีอาจจะถอยหลังด้วยซ้ําต่ถ้าถ้าไม่แก้ไขหรือถ้าถ้าจิตตรงนั้นมันมันล้าหน้าไปมากไปแต่ถ้าคิดตามท่านเนี่ยดี๋ยวฉันก็คิดว่าเป็นไปได้เพราะว่ามีคนเป็นจํานวนไม่น้อยทีเดียวนะคะเมื่อเสพข้อมูลข่าวสารเห็นคนที่เหมือนพระเนี่ยแล้วปฏิบัติไม่ดีก็เลยเหมาโหลไปเลยว่าโอ๊ยไม่อยากที่จะสนใจแล้วอืมพระเจ้าเนี่ย อะไรเงี้ยเทพรพระดีๆก็สวไดไปด้วยไปด้วยก็เลยอดที่จะสร้างบุญค่ะนะเราก็จะเศร้าหมอเพราะฉะนั้นพอมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนั้นดําแรกเลยให้มีเมตตาอดทนไว้นะเราเรามีเมตตาทางกายทางวาจาทางใจอดทนไวนะ้ถ้าเราไม่อยากจะให้อมิสถานในบุคคลนี้เราก็เก็บไว้ในให้ในเนื้อนาบุญที่เราเจอเรามีแล้วก็ให้มั่นใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่า ถ้าตราบใดที่ยังมีอริยามรรคมีองแปดอยู่ชาตินะนาที่หนึ่งคือโสดาบันสมณะที่สองสกท า, ากามีอนาคามีอรหันเนี่ยจะไม่ว่างไปจากโลกนี้โลกนี้จะยังมีอยู่แน่นอนอันนี้เป็นพุทธพจน์นะอันนี้เป็นพุทธพจน์ตราบใดอริยามรรคมีองค์แปดยังมีอยู่นะ่โลกจะไม่ว่างไปจากพระอรหรันนี่เพราะฉะนั้นถ้าเราเราศรัทธาในพระพุทธเจ้าเดี๋ยวเราก็จะศรัทธาในพระธรรมเพราะว่า แล้วก็เป็นธรรมอันเดียวที่พุูชาตรัสรู้เพราะสัตนในพระธรรม่คนที่ปฏิดีปฏิบัติชอบก็ยังมีเราก็จะสัตย์ในหมู่แห่งผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตรงนั้นค่ะอะดังนั้นวันนี้เนี่ยที่ฉันกราบเรียนถามท่านพระมหาภัูปุณณพิปุญโนเกี่ยวกับเรื่องของเราจะเขาเรียกอะไรคะจะปฏิบัติตั้งใจตามจิตยังไงหรือวางจิตยอย่างไรกับพระภิกษุใช่ไม่ว่าจะเป็นนยาม ที่พระภิกษุท่านปฏิบัติหน้าที่ของท่านปฏิบัติตนของท่านตามปกติหรือว่าในยามที่มีข่าวคร า, าวไม่ดีเกี่ยวกับท่านนะคะซึ่งท่านเปโบนก็บอกว่าถ้าเป็นหลักของพระพิกพระสงฆ์ซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธองค์แล้วเอาบทสวดระลึกถึงพระคุณของพระสงฆ์สุปฏิปันโทสุปฏิปันโนเนี่ยมาแปลได้เลยถ้เาเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติควรปฏิบัติตรง เป็นผู้ที่เมื่อท่านปฏิบัติอย่างนั้นแล้วคือบุคคลที่กำลังเดินไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลในระดับต่างๆเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อท่านด้วยการยินดีต้อนรับท่านถวายอามิสถานท่านส่วนจิตของเราต้องวางให้มีเมตตาต่อพระสงฆ์เหล่านั้นนะคะทั้งทางกายทางวาจาทางใจถูก ต, ต้องและเราเองก็เป็นสมณะได้ หากเราเป็นผู้สงบถูกไหมคะถูกต้องค่ะสุดท้ายถ้าจะเสียกําลังใจก็อย่าเพิ่งเสียกําลังใจเพราะพระพุทธอโ์ตรัสไว้ว่าตราบใดที่ยังมีอริยมรรคมีองค์แปดนั้นโลกจะไม่ว่างจากพระอระหรันและตราบใดที่ท่านปฏิบัติตามท่านก็มีสิทธิ์ใกล้ความเป็นพระอริยบุคคลด้วยไปถึงพระอระหันได้เช่นเดียวกันถูกต้องถูกต้องนะะกราบมหกรรขอบพระคุณท่านไปบุญเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเรียนผ่านการคะ่ะท่านฟังที่เคารพค่ะ และวันนี้ท่านคิดว่าเป็นประโยชน์มากกับการที่เราเนี่ยจะวางจิตวางใจและไม่เสียโอกาสแล้วก็ไม่เป็นบาปเป็นกรรมด้วยในการที่จะเกี่ยวข้องหรือว่าจะคิดถึงเรื่องของสมณะนะคะก็ขอให้ท่านทั้งหลายนั้นได้ใช้ศรัทธาที่มีอยู่ในพระพุทธองค์ศึกษาธรรมะของพระพุทธองค์นำไปสู่การปฏิบัติแล้วสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่ได้ที่พระพุทธองค์นะคะจะได้ที่ตัวของท่านในความเป็นสมณะ ผู้สงบ ค, ค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะพุททั่วสวัสดีค่ะ